เม่แต่ยากพิเศษจนบุญเจาอยามเจ้าบอกขอกตันาหนูเมื่อไหร่เหนพวกสมองเพราะว่าทุกมือนี่ทั้งไก่ทั้งไก่เท่าเหตุเท่าทำยุติแตกจะตรงกันไปเห็นมั้ วัานานัธรรมพิธีดออ้อ่ะ <c oughs> หนุงปูอินเป็นวันหน้าเป็นว <c oughs> ันดีนอ่ะน้องยดสงบกับว่าอายเหรอกน้องบุญไหวเป็นตะอายต่างประเทศโอโยมทะเลขึ้นงงแกว่าไปวัดทำบุญค่อยคอคลายง่าย คอยอดคอยเงี้มันจะได้ทอนพับลาภาวนาคอยอดเราจะต้องฟุ้งซ่านและแสดงออกใปเยิ่องคุณเรื่องในเรื่องในเ้ื่องต้องวใจห้าวคนเดียวนะนั่นแหะค่ว่าท่ามือบังคับใจคนห้าวไหวฟุงแต่งแบบโลกโลกไหวนึกคิดแบบโลกโลกจักแบบโลกโลก โลกนี่อุ่นวายเนานะโลกของพระพุทธเจ้าไม่บุ่นวายนาะเดเห็นว่าเข้าเรียนเข้านางกันนั่นโลกของพระพุทธเจ้าเด็กถ้าโลกของทั้งบ้านเมืองเข้าเหนือนุ่้าโแล้วจำเไเชียงเชียงขึ้นเสียงลงฟันวัดงูนกเียงตัว ยำไว้จะเคยเป็นทิฏิจะเเป็นมงคลจะเป็นทิฏิมงคลเพราะพระเจ้าประสงค์กระงบออกตอนนาทโนมประงบโดยเฉพาะพิธีกรรมทา ง, งพระบุทธศาสนาพิมพว่ได้อันเทวเทวดาได้เป็นมาสักศีประ ย, าย่านผลนี้ในการตรวจปริตรมงคลหรือตรวจต่ออายุมุนินกุตแต่เชิญมาเราก็ต้องรับทราบว่า สิ่งปกว้องคุ้มครองทุกผู้ทุกคนมีเครื่องปกป้องปกัปกปกรักษาด้คำบนร้านชุมทางใดพ่อให้เป็นศีลดีเป็นเทวดานั <Yeah. S 1> า่นเามาวัดมาเหตุณลงา้างความดีเอาแบบเครื่อง้าบาา้านเขได้คือจังเขานั่งจังสแล้วคือหปนั่งคือหาข้ากืนหาหารเขาวัดเขาถืว่าเป็นประชานทียไ่ มอนี่มันคือฐานใหญ่อวดอย่างนี้ประมาณรุนปฐุมเขาทำปร ะ, ประสองถกวนตันสัญยามรรยาตความกันไหวไปมาพ่า่าถิมาหนนั่งปุ๊บปั๊บนั่นแสดงความคล่ลบู ช, ชาติดถ้วนตัวโยกป น, นคค้เขื้อเกินนั่นเป็นดอก บ, บัวดอกตาปลอไปง า, งามนั่นหนาวมากู ช, ชาเป็นไปหาไปตัด อ, อกไมยยุงดอกปนเอายอบ ย, ยุงน่น พนือพระพุทธเจ้าค <dia> ุณ <téc> ก <n ico> ็สอนไปหาเหตุคือว่าหาว่าหลวงพ่อติอันตินี่ได้บหมติจึงได้เอาคำของพรุทธเจ้ามาว่าวทุกข์กันพระพุทธเจ้าก็ให้ไปเวียนเวียนกบไม้ดอกไม้เขาเขาเกิดมาธรรมชาติสอนพระเจ้าอยู่สบายเล็กน้อยเขาก็มีลูกตัวมียอดมีต้นมียอดมีดอกมีลูกนะคนคือกันไม่ต้องตั้งติไปอันดับไปอันดับไป ก็เทียมใบฟังดอกไม้เขาขอลองอยู่บ่มีหูทิพย์วันเย็นดิจะตัดฉันไปฉันก็ไม่ลูกโย่ขอลองต่อจะตัดฉันไปฝุ่นเมื่อเขาเอาไอ้ฉันคนเก้าสอนเอาเมื่อตัวตามดอกไม้ต่างทูบเทียนที่จะคู่ดอกไม้หาคู่เนี่ยเมื่อสิบเนี่ เปน็นนองขึ้นง้างๆเห็นเป็นปูมบัวระวางหัวใจกราบร่องหนุห่ยบุชาเพราะถึงผู้มิตรสมาธิเขาไปอีกอิเมนาสกาเลนะพูทธังอภิปูจยามักกาพุงไปห า, งงาเมเลยเมื่อมาถึงเฝ้ากาบปอ บ, บคือไปหาอย่างหล่ะคำโบราณเว่าจะกาบคือเก็บกาบหลายคือเฝ้าไปหาอย่างแน่หาป้นหา ก, กี่หาคาหาตีหาปลักขโมยใส่ือเฝ้าแท้ ต้องเกือนของทุกเวลาหน้าที่การสอบวัดเคลื่อนไหวไปมาจากพวกการเคลื่อนไหวของกายการเคลื่อนไหวของวาจาผู้คเว้าดีดกว่ผู้ใดเป็นผู้กำชับเบิ่งแรกสติเราเรู้เราเ ร, ร, รู้ใจมันติคิดแบบไหนมันติดปูงหยั่งหัวว่าตามประกอบตามเลี้ยงสติเป็นพี่เลี้ยงใจแต่ต้อมีเด็กน้อยพี่เลี้ยงของเล็กน้อย เด็กบ่าวมี่ปเี้ยงอันตรายนะอยากใหคนนั้นวมีงไปเลียงอันตรายคื่กันนะยังได้บอกคือพระเศ้าอยู่คนเดียวระวังความเจ็บอยู่กับเม็ดระวังคำพูดนะถ้าเรระวังทะเลาะกันตัวคำว้าเห็นบ่มูอพวกักกันหอมกันไปนะไปตีว้อมกินเหล่าบอกกันไปบอกกันว่าไปมาเจ็กัน ผู้กก็ขากันเป็นเรื่องเป็นเล่าว่าช่วงเราท่านห้องไฮนั่นว่าดิโอ้หักแป้งกันก็รอดก็แล้วขากันเห็นว่าเอาน้ำบ้าออกไปใส่เราเป็นปตัวติดตัวแดนทาพอน้ำผมยิจ้าบ้าอีกทาตัวขรมยมาย้ําบ้าเป็นได็กิทั้งคืนยู่ไปกินกันยู่ขาพ่อีแม่มขาพีขาดน้องเนี่ย เพราะอย่างหลักผลิตยาบ้ามัวเมามืดอไปหมดใจเมืดบอดไปหมดจักก <to> ู้ได้สิ้นพีเป็นนอกสวนเน่นับให้แน่นนับภาพทำบุญนี่ลหละทำบุญทานศีลบุญโดยตัวเนี้ยมอแลงห้อยดิบห้อยดิย่งน้ำเดืองของธาตสังขานไายนนกหย่งคือน้ำไพ่ในใจกององ อย่าว่าสังขารภายอกคือร่างกายก่อนนีうう่คำว่าหนอตาปกติการทำงานแนวนนั่นนี่หุงน้ำเลี้ยงอาหารกันนัうう่นหนงเรายด้แบบสมัยพิฆาตไดแบบจิมเอียบแล้วหนังตาย้ยหนังยังเหี่ยวเปิดวาตัวแต่บ่มีเรานี่ก็ได้เข้าสมาติยัางหน่อยชุกชุดหนึ่งหน้าที่สองหน้าที่ดีกวบปฏิเหตุปฏิทาม วิธีมาทำบุญก็นไหนทำบุญก็ให้เตือนเจ้าของห ล, ลับะห้ามมาวัดทำบุญทำบุญขึ้นเบิ่งลบหายใจเขาอขอก น, นั่นนั่นลหละอาหารใจนั่นแหละเครื่องแต้งใจนั่นแหละเครื่องรักษาใจเครื่องสับปอกใจก็คือลมมันเห็นลมก็ใจของเขาก็สะอาดตัวเันพอเบิ่งลมใจของเขาก็สกปรกบนใบยุ้ยสสกปรกใจแทะแทะยังจะมีเนียมากแค่ไห น, นใจสกปรก เอาค so so ั่วโลภควโกรธได้คั่วรักคั่วโลภได้แปลว่าก็จเอาคั่วโกรธผมวาใจเอารักกับโลภนะคั่วโกรธก็มาจากคั่โลภค่วโลภก็ได้ก็บโกรธนะคันวแหย่แต่งตัวเพางามกับโกรธนะรักก็มาจากสวยงามนั่นรักมโนโลกมันเขาเห็นบุญสักวันนี้จังสิบจากว่ารักโลกที่เป็นมนโลกมัก็เห็นบุญสักวันบ่จากลอ ท, ทั้งที่เฮ้าคุกขี้ยู่กับหมอนรกเฮาตื่นขึ้นมากอยากความด้วยอยากสวยงามแจ้งหน้าแจ้งตามันอยู่หมอนอกกนรกว่าล่ะนะโลกรคือความมืดเห็นปะพดอยู่ในโลกควบยีเล็บขอบง้ำจิตใจใหม้มั่วเม่า ม, มืดบอดใจมืดใจดำอมาเฮ็ดแบบนี้มืดข้าไปแล้วบดก ด, ดำก็ไปอีกนี่ ว่ไม่ีเมตตาปานนี้ว่ามีความลองสมานถามมาขี้ว่ามีพวกเมตากันเห็นของผู้อื่นอยากไรอยากโลกป่นจี้พาดีนั่นข้ของผู้เจ้าให้มีเมตากันของเขาของเราเขามาเอาของเฮาเฮากับพ่อใจเฮาไปเอาของเขาเขาก็บพอใจจิไปเอาของกันไในทางต้มตัวกับขึ้นกันหลอก่วงตืันหลัวเฮากับพ่มักลอก่วงเฮาจิตไปหลอก่วงคนอื่น ต้ตัวคนเดือนเดี่ยังโอ้ยแต่เดี๋นําคําสอนของคุณเจ้าเลยประเทศเท่านี่นาอยู่ที่ทุดพูดของมนุษย์ประเทศของมนุษย์ได้ประเทศของเทวตากว่าได้ที่อนี้คุณสิ่มคุทธรรมอันนี้ชาวไทยเท่าวพุทอมีตะเหลืองตะเล่าขากันรอกลวงกันต้มกันเป็นตนาไน่ประเําิฐคำบัาว่าบอกกันทุกคนโอ้ยจะมาเป็นตนาไน่แต่น้อว่า เ่อยู dragons, died, ze, so g, vai, ่แต่ม nah. ันนายบ่เปก็เห็นความจริงเคลมดีมก <c ười> ับคนายด้วมาเห็นความจริงของใจขงมัมั่วมบอเนี่ยความจริงของผู้เจ้าอย่างไะเขาสมาธิดูสว่งสบายแจ่นั่นลังขาดร่างกายบนเตียงนั่นเกิดแล้วแก่เก็บตายคือละทองไปแล้วจริหลังขาดร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีราการต่างๆหรืออ้วนเเย่ ว่าเวกเขาถึงหัวใจบอกนอนกอดของปฏิคุณเอาพิจารณาผูงโลติดสวดไปแล้วอันอาหารไม่อาหารเก้าน้าหมดน้าคูด น, น้าหนองน้าใส่น้อยใส่ใหญ่เป็นอย่างนี้อะไรออกไปส2ปรท้กองกาดไอ่ะกไม่จะรวมในใจหะไรนี้อีกเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีอะการต่า ง, ต, างต่างอย่างนี้อันตานั่นเป็นจริงของปุ เ, เจ้างบ่มากคึ้นเป็นจริง นาทำมุมเหตุพลังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะำล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยายามทิงอนัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะำล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำมมเหตุมรณะอนัติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาย่ำล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพัดพาจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเป็นธรรมดามิเป็นธรรมดาก็ใจร้อนหนิ พอรอก็แลไดแน่หาหมอพอรอก็แล้วแน่หาหมอหายแล้วแต่ยังตายคือเก่ามัมีโรงพยาบาลได้ได้รักษาคนว่าให้ตายได้เออได้ดอกผัวหยาตายนขอผมไปหาดยกันก็หาหมอดีปรเดี๋ยไปเกิดดีแกอีเก็บดีตายไปเกิดปรได้กล้างกายคื่เก้านี่หมดจบุ้เลยนะี่คนพการว่าไปบวชหวงขอขอขอทานเต็มบ้านเต็มเมืองขอหัวเราเก่าหลวงหยาหัก ที่อายุนั้ขยับไปคือผมเห็นทุนนี้ผมเห็นแล้วผมเคยบังใจเห็นแต่ว่ามื่อนาทันดิด้วยเอื้นันดด้วยพีาฉันดด้วยพีนาเศรษฐกิจดีอันนั้นดีอันนี้ดีไปสดที่ไอันเดมันก็ดีหมดงนใจม้ามัดีมัวม้วยเพิ่แต่เอตายนุ่งเพ้อเฮือมก็ไปแล้วปะว่าขยันว่ประจาก มิตรขยันหาขยันใจเสื้อนี่ในตู้เต็มอยู่ว่าแต่เขามาขายซื้อซื้ อ, อยาที่ฟันใส่เครื่องเดียวกระบูกใส่เที่ยเดียวทีบแล้วอื่นมึงรูปไปเครื่องเล่นเครื่องหัวโทรศัพท์ย่างนั้นย่างนี่จกักรีหัวย่างนั้นมีสิบคนโทรศัพท์จักรเครื่องพุกนี้เครื่องเล่น ล, ล่ละมุนอยู่ไมต้แนวเรียนก็ไปีกงด้เห็นบ่าลูกร้านทุกเมื่อนี่นวามพอดีบางครั้มันเกาทิมหนักป้อนหนักไม่พอมีไปหาเืียบหาจิ้ม เ, เอาใ้แดงเส้นสุดว่าเรื่องของโลกเพราะของโลกเพราเส้นสุดดอเพรานั่งคำคำจังสอนของพระพุทธเจ้าแนวสส้นสุ ด, ดยังดีกว่า เขาสมาธิสบายเพิ่งลมหายใจก็ออกสบายลมหายตายจากไปล้ ม, ล, มล้มกับภาพไปสวรรค์ลมกั บ, าบภาพไปเป็นิพานว่าเป็นลำรวยสวยงามภาพไปสวรรค์นในผ่านดีลำลวยสวยงามภาพไปตนกนรองเกิดอีกแก่อีกเก็บอีตายอีทุกข์อีนะนเห็นจิตเห็นใจเห็นลมเราเหมื่อจากการเกิดแก่เก็บตายกับบุญี้รุดยอดเพรคำของบุญเจา้า ยังพเบิ่งเอายังเห็นเหงาวัดรซื้อจักบาทตัวอาหารใจของแตงใจของสักเปลใจรีซื้อบ้ลมหานใจก็ออกลล่ะแต่เขาเบิ่งจุดนี้จุดนี้มีสมาธิมีปัญญามีควรอบรู้ว่านรกเป็นจังไรสวรรค์เป็นจังไรนี่เขาพอเิ่งก็พอเห็นแล้วไปนรกเขาเขาเห็นบุญได้เขาแข่งกันมึงร นั่งบังลมหายใจเขาออกนอนบังลมหายใจเขาออกกูเต้กับนันคิดแต่ใจอย่างดีอยากห่างจากมีอยากร่าอยากรวยหาเองว่าได้เอาไปมากอากโลอยากกรอากลงควนจี้หาตีเอาขดของเอาอยากจ้าเอานั่นไปจากความกินความจิตสิ้นสุดะความกินนี่ โอ้ยว่าจิ้จุกหรอกขอาหารเนีท่านเนีมันจิ้มจุกของพระพุทธเจ้าก็เิดมาโดนแล้วเอาย่งไปนํำนาะน่ะวันนี้ได้เลมมแล้วเขาถจิีเน่ะเห็นปตัู่ตัวูคือใจตัวเาคือใจกอนธาตกอนนีกอนของคอของแม่ ประพัฒตลังคิดตั้งธรรมชาติใจทุกจ้วงอยากเกิดมาเป็นภูเป็นคตอยากพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอยากเขีนนําทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าัเสด้จแล้วพระเขาวงใจยังเจี๊ยบเลื่อยโจักว่าใจเกิดมาเพื่อหยั่งโดยใจอยากมาเหมหยั่งโดยขยันโจนกเขาก็ไม่รู้ดูคิดเพิ่มดูแต่เขาเกิดมาเอากระตามาตั้งเส้นี้สองน่วย เม่หนึ lost, air, ored, cool ่งใสแน่วเลี้ยงใจแตงใจรักษาใจกระตาหนึ่งแนวแตงกายแนวรักษากายแนวเลี้ยงกายเขานับเบิ้งอยู่ในหัวใจเขาเขาเบิงเช็เทเบิงใจอ่ะเขาเบิงเ็เท้ามือหนึ่งร่างกายเาแตงจชเท้มือหนึ่งร่างกายเาให้อาหารกินมือหนึ่งเ็เท้าร่างกายใจให้จชเท้าบถามก็ไปจุดนี้ไ่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าใจพรพเจ้าอยู่ในหัวใจพุทธแว่าผู้รู้ เขากูเอะใจอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดมาองตามบางบ่ใจอ่ะนั่นตัวเาใจเวลาเจ้ากรรมนาเวรขอไปถามเป็นไงเป็นไงเจ้าตั้งใจว่าจะไปบงสวรรค์บังพริพานก็เห็นบ่ก็ไปบ่มันทังไปสวรรค์มัทั้งไดนมันเคยบ่นเตเขาก็ได้ปไงปไงมาจากมง มาจากเม่นารลไปลงไปขึ้นเาแล้วเจ้าบุญจักทั้งไปใจเจ้ามือปล่อยไปไปบุเชียทีบุเีว่ามี่เจ้ากำนายนวปบุเชียที่ว่ามี่ประชุมประบานเขาว่าถึงซื้อดอกปฏิวัตินนี้ผมขอบริษัทก่อนกับบเชียแหละคือมาวัดเนี่ยนะผู้ได้มาขู้เองเห็นเองเผู้มาเคยมาก็ไปถามผู้บุญจัดบอกถือก้ ไปถามพระบอกก็เห็นบุญพระทีบอกกรทับุญถ ja ึงเพราะพเจ้าเป็นว่าเชื่อพระเป็นนี้สิให้เชื่อพระบนที่เจ้าให้เชื่อเหตุผลเพราะฉะนั้นดากลูกเหตุผลเขาเบิ่งรอคคำว่าแรงไหวจะเข้าจะนานาการจะไปหาเบิ่งน้ำวนไหวเขามาทึบนั่งเบิ่งเขาล้มบกล้มขอบเดียวโคมือถุกมือจังหน่อยที่สุดมือหนึ่งหนึ่งเทียมือหนึ่งเท่านึงเทียหนึ่งหนึ่งหน้าที่ ยำได้ทุกยมาว่ายังเด็กจำดอยนี้ตอนนีผู้ใดเห็นทำบ่ให้การอาจารย์มหาตัวกรองถามตอนนี้คนกผู้ใดเคยทำบุญผู้ใดเคยนั่งสมาธินกผู้อดเคมุดูผู้ใดเคยนั่งอมวรองบอกว่า่อยู่ที่คนนั้นหูจู้แจ้งใจอยแล้ว นั่นล่ะปัจจุตังร si ู้จัเพราตนผู้ดูรู้เองเห็นเองคำตอบเวลานั้นกุศโลกในเรื่องของหลานจะติดจีนองเรือเสียตละมากพอพิธีกรรมในพางของบราณศาสนาเน้นเป็นประวัติจำปีหลายปีมาแล้วโดยเฉพาะเทศกาลชง่ตยปีเก่าตอนรับปีไม่ตามขนมต้นเนียยแบบเป็นนี้ของโลขอพรปีไม่ ขอพ่อป Je ีใหม่โดยเฉาพระเจ้า no. อ okay. ุทุมบแม่ครูบาอาจารย์ที่สร้างให้หลวงปู่พ่อไทบป้อนปีใหม่ให้พ่ทุกเมื่อขอพ่วันใหม่สวารคเป็นดีกว่าขอพ่อปีใหม่ปีหรือจะไหนต่หรือจะได้ประโยชน์อย่างใั้ทุกเมื่อเรีให้ทุกเมื่อด้วยมันพ่จะไปให้ด้วยตาแต่ใจบองคนก็ให้ได้ อันแพ่ไมตตาสเปรตันตาอันวัตต์ต่า ง, งหลายเพื่อนทุกเกิดแก่เก็ดตายนั่นเห็นว่าเราจงเป็นศูกย์เป็นศูกย์นะได้รับตจงได้รับส่วนปุลส่วนกุศลที่พระคัมภเจ้ า, าได้ปฏิบัติมาแล้วแต่ผูร้รับเขาพ่ว่๋าผู้ศรัทธาพอในเวลาป่วยป่ลงมาผู้ที่ตรงเขานั่ง น, นี่องตรงไปถามก็ไปนี่จะไปว่าขอควาีไหมขอความีไหมขอให้เราปีไหมมันโดน หามือไม่ทุกมือทุกมือด้วยคุณมาหาย ด, ด้วยคว่าแรงมากกัใหายเยอมดกมือแต่ว่าผู้เอาเอ า, เอาบ่าไปนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อ จ, ำ จ, ำ จ, ำ จ, ำจำึงจำเน่ยเมือหนึ่งหนึ่งนาทีเพื่อจะได้รับชันบุญกุศลชุดนีนออ้แล้วมาหายเราไมีคนรับจะได้อย่างไปหาขอขับกอปาไปเล่นไปหัวไปวไเพื่อนไเพื่อนกินเหล้ากินยาขากันตีกันวิสัยคนีแพงบุญกุศลมาห้จะได้รับก็หล่ะถามก็ไปแม่ จงปกป้องางคอบอกตนในช่วงมรดญาจักติพิ่นองเริ่บุญกุศลปู่หลวงปอพระเจ้าประสงค์ไต่ปฏิบัติมาแล้วจริยธรมในศาสนาโรกนี้จงมาล่วาการจงปกว้องจงประาศาอกตนนช่วงมราจัตติพีณนองจงมีแต่คนุกคนเดินสบายทุกใจหาจากทุกโศกโศภายกำลังกำนังเพียงใดพัฒนาเพีงหนึ่งอันใดก็จงสำเร็จจงสมเด็จโปรดขอให้รัาคำคำคำขอของพระพุทธเจ้า รงประกันตั้งคบตั้งใจปฏิบัติตามคำคำสอนของพระพุทเจ้าแล่ถึมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสวรรค์ได้เห็นปฏิบาตในปัจจุบันในช า, าตินี้กินสาธุสาธุเอาคือ ตะเนะวอนุโมทามิตัหางวกถึงทับเสียงจมทั้งบ้านก็ยินขบบ้านผมอ่ะยิ้มขวบกายการ์ตาหัวควายย่ิับวบากาเจีนยิเี้ยขวบบ้กาจียเี้ย เวราแต่กวนไปหายไปนหน้ามากเป็น ว, งวง่าเงบคนใดใกล้กินก น, น้ำันใดขี่ทิเงี่วยคือเหมือนว่ีเ่อเหรอผมมีปมมั่งผมเงี้วยวนต้านเป็นไปแล้วไปจ น, นเลยครับผมมีอย่างก็